เมื่อเราเห็นถูกต้องอย่างนี้แล้วเนี่ยเรียกว่าสัมมาทิฏฐิที่เป็นปรมาิตย์คือมีการเปลี่ยนแปลงจากตัวสมมุติให้เป็นปรมาิตย์ได้ตัวสมมุติคือสัญชตาตญาณตัวปรมัทิตย์คือปัญญาญาณวิธีการเปลี่ยนแปลงสมมุติให้เป็นปรมัทิตย์ก็โดยอาศัยอะไร สติสมาธิปัญญาและตัวสติสมาธิปัญญาจะขึ้นขึ้นเพราะอาศัยไม่ใช่อ า, อาศัยอินซีห้าจำได้ไหมอินซีห้ามีอะไรบ้างหนึ่งต้องมีศรัทธาเชื่อมั่นว่าทำแบบนี้มันจะต้องรู้มันจะต้องเข้าใจแบบนี้ให้มีความเชื่อมั่นด้วยก่อนมีความเชื่อมัน่นความเชื่อ มั่นในทีน่นี้เอ้ยเราก็เชื่อมั่นในพุทธศาสนามาตั้งนานสมัยตั้งแต่พ่อแต่แม่ทว่าเราไม่เชื่อมั่นในพุทธศาสนาได้ไงอันนั้นเป็นเชื่อมั่นที่เป็นวิถีของศรัทธาโดยทั่วไปแต่ศรัทธาวิถีพุทธจะต้องมีความเชื่อมั่นที่จำกัดอยู่ขอบเขต อ, อยู่แค่4ี่ประการคือหนึ่งเชื่อมั่นในการกระทํา ไม่เชื่อมั่นในเทวนิยมพรมลิขิตเชื่อมั่นหมอเราหมอเจ้าเข้าทรงไม่ได้เชื่อมั่นแบบนั้นไม่เชื่อมั่นผีสางเทวดาอํานาจเทวดาอินพมยมมราศไม่ได้เชื่อมั่นแบบนั้นแต่เชื่อมั่นในการกระทําของตัวเองสองเมื่อเราลงมือทําแล้วสิ่งที่ตามมาคืออันแรกเรียกว่ากรรมสัทธาเชื่อมั่นในการกระทำนะและเมื่อเราทําลงไปแล้วจะต้องอันที่สองตามมาหรือว่า กรรมวิปาาคสธาคือเชื่อมันว่าสิ่งที่เราทำไปต้องมีผลแน่นอนใช่ไหมสามผลนั้นตกแก่ใครตัวเราเองเรียกว่ากรรมสกตาสธาสี่เราสามารถพ้นไปจากอำนาจของกรรมได้กรรม ศรัทธาชนิดนี้จะทาให้เราสามารถพ้นไปจากอำนาจของกรรมได้แต่ศรัทธาแบบอื่นทำให้เราไม่สามารถพ้นไปจากอำนาจของกรรมได้เพราะกรรมเหล่านั้นเป็นกรรมอยู่ภายใต้วิถีของสัญชาตญาณแต่กรรมแบบสี่อย่างเนี่ยกรรมศรัทธาสี่อย่างเนี่ยเป็นวิถีของปัญญาญาณเพราะเชื่อมันในการกระทำของตัวเองนะไม่อิงอะไรทั้งนั้นอิงแต่การกระทาเช่น เรานั่งไปง่ายๆเรานั่งไปนานๆมันหนักมันปวดมันเมื่อยแล้วมีการกระทําเกิดขึ้นคืออะไรมีกายการรมเกิดขึ้นคือการคิดที่จะเปลี่ยนใช่ไหมคิดก่อนที่จะเปลี่ยนนี่เป็นอะไรมโนกรรมแล้วใช่ไหมตั้งใจว่าจะเปลี่ยนเป็นมโนกรรมแล้วรู้อันที่สองก็มีเจตนาเจตนาจะเปลี่ยนอันที่สามคือ ขยับเป็นกายกรรมแล้วใช่ไหมแล้วตัวหนึบตัวหนักตัวเน็บตัวปวดตัวนั้นพอเราขยับปับ๊บมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมจากหนักกลายเป็นเบาขึ้นการเปลี่ยนแปลงจากเราก็ได้รู้เห็นมันตามลําดับการรู้เห็นตรงนั้นผลเกิดขึ้นก็คือจากหนักผลมากลายเป็นเบากรรมวิปากะอะไรใช่ไหมเราก็เชื่อมั่นละโอ้นี่มีผลแน่นอนนี่เราเห็นผลนะแล้วก็ใครเป็นผู้เบา เราเองนั่นไหมเขาว่ากรร ม, มสการทา่าเราเป็นเจ้าของของกรรมนั้นคือความรู้สึกเบาอันนั้นใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็ไม่ไปงุดงิดติดอารมณ์เพราะเรารู้ขบวนการของมันเราพ้นไปจากความมโนกกรรมที่เป็นอกุศลพ้นไปจากกรรมที่เป็นอกุศลนี่ก็เรียกพ้นกรรมแต่ถ้าหากว่าเรารู้สึกหนักหน่นวงทวงทับแล้ว รู้สึกงูญหญิดแล้วก็เปลี่ยนไปเลยไม่เห็นขบวนการทั้งหมดอพอนั่งฟังนานเข้านานเข้างูญหญิดบ่อยเข้าบบเข้าพานเป็นไรเบือบ่อเบื่อแล้วก็บน่นเมื่อไหร่หลงพอจะพูดจบจะนี่พูดอยู่ได้เออฉันก็อยากจะไปนอนใช่ไหมเป็นกุศลล้วออกุศลละเป็น อ, อกุศลเป็นกรรมใช่ไหมหนี่ไม่พ้นจากกรรมแต่ถ้าอย่างเมื่อกี้เนะี่ยพอเรา รู้สึกทุกข์ขึ้นมาเละบำบัดอย่างรู้สึกตัวความรู้สึกทางกายทุกขเวทานากายไม่สามารถทะลุไปถึงทางจิตไม่ก่อให้เกิดทุกเวทานาจิตคือความหงุดหกิดรำคาญไม่มีจิตก็ยังปกติเหมือนเดิมนั่นหมายความว่ากรรมที่เป็นอกุศลทางกายไม่สามารถทะลุผ่านไปสู่ครอบงําจิตได้เพราะมีตัวอะไรกั้นอยู่ตัวรู้สึกตัว ที่เห็นตามลําดับใช่ไหมตรงนี้เขาเรียกตถาคตฐานโพธิสัทธาสัทธาในการรู้แจ้งแทงแตลอดของพระถาคตเราก็ทําตามท่านเรา ก, ก็พ้นไปจากกรรมเพราะฉะนั้นกรรมทั้งสัทธาจึงมี definition ของมันต่างหากทั้งสี่คือกรรมวิสัทธ์กรรมวิปากกรรมวสการและกรรมว <c oughs> ตถาคตฐานโพธิสัทธาอันนี้จึงชื่อว่าเป็นตัวสัมมาทิฏฐิ กรรมที่เป็นสมาทิถิใค้เชื่ออย่างนี้นะเราลงมือทำงานเรารู้ผลว่ามันจะต้องได้เงินและได้เงินมาจริงๆเราก็เชื่อมั่นที่จะทำต่อไปเงินที่ตกมาก็เป็นของเรากรร ม, มสกสกะาแล้วก็เราก็รู้ว่าเราเชื่อมั่นในการที่จะได้ปัจจัยนี้มาจับใจใช้สอยอำนวยความสะดวกสบายเป็นตถาคตาพู้ทิศทาเราก็ มุ่งมั่นในการทำงานเกิดกําลังใจเกิดมีกําลังจิตไม่เคยทํางานมาส0ปีย0ปีรับราชการมาตลอดชีวิตก็ไม่เคยรู้สึกท้อท้อเหนือหน่อยหน่ายเพราะเห็นผลของกรรมที่จะได้มาคือเงินทองเงินโบนัสเงินค่าจ้างรางวัลเงินอะไรต่างๆได้มาสวัสดิการอะไรต่างๆเราเชื่อมั่นในการอ น, นั้นในส่วนที่เป็นวัตถุและที่เป็นรูปธรรมนะอันนี้คือทําความเข้าใจในจุด เพิ่มเติมจุดตรงชาวเรียกว่าสัมมาทิฏฐิทีนี้เราจะมาศึกษาต่อว่าความรู้ความเข้าใจต่อความรู้สึกตัวอย่างถูกต้องนี้ก่อให้เกิดสัมมาสังกปะได้อย่างไรนะสัมมาสังคปะแปลว่าอะไรสัมมาทิฏฐิเราแลปลว่าเห็นชอบ <c oughs> เห็นถูก <c oughs> เห็นตรง <c oughs> ใช่ไหม พุทธเจ้าในมรรคทั้งแปดนี่นะท่านตัดมีมรรคมีองค์เดียวท่านใช้คำว่าสมาธิฏฐิสมาธานาสภาวทุกข์าวปัจจกุงผู้ใดก็ตามที่เข้าถึงตัวสมาธิฏฐิแล้วผู้นั้นจะพ้นจากทุกทั้งปวงได้มรรคตัวอื่นทั้งเจ็ดตัวท่านไม่ได้ใช้ไม่ได้ตัดแบบนั้นเลยนะท่านตัดอยู่มรรคเดียวคือสมาธิฏฐิเพออราะละบุคคลที่เป็นสมาธิฏฐิอย่างสมบูรณ์นับแต่บุคคลที่เป็นพระโสดาบันขึ้นไปเพราะสมาธิฏฐิมีสองชั้น สมาถที่ที่เป็นสมมุติและสมารถที่ที่เป็นปรมัทิต์แต่ตัวบุคคลที่จะเข้าใจาสมารถทธิที่เป็นปรมัิตย์นั้นตั้งแต่พระโสดบาบันขึ้นไปแต่จำคนนั้นลงมาเป็นสมาธิที่แบบสมมุติเป็นเรื่องของคนทั่วไปต่างกันยังไงเช่นอามาเรียกโยมว่ า, าโยมจะรันนี่นะ ถูกใช่ไหมยมเจรันทีนี้มาไปจับแขนอันนี้ชื่อเจรันใช่ไหมไม่ใช่ขอรับอันนี้อะไรอ่ะแขนที่มาจับแต่วันนิ้ผมไม่โป้เอ้าจับเบนทุกส่วนของร่างกายเอาตรงไหนเป็นเจรันนะไม่มีเจรันเลยบอกว่าทั้งหมดนี่แหละคือเจรันขังงินอ่อาเพราะนั้นการที่ เราสมมติเรียกว่านี่เป็นผู้ชายชื่อนี้ชื่อนี้นี่เขาเรียกว่าสมมติสมาธิถิถูกต้องนะแต่พอได้ขั้นปรมัติแล้วคําว่าจรันไม่มีจับตรงน้เป็นอไรมีชื่อเดียั้นปตรงนี้ก็คือรูปจับตรงนี้ก็เป็นรูปจับตรงนี้ก็เป็นจับรมนี้ก็เป็นไม่มีผมขนเรมากอนะได้ข้ น, น, นมีแต่รูปอย่าดาแต่จอไดยังไม่ตาย เจรันยังมีชื่ิอยู่จับแล้วรู้สึกใช่ไหมนั่นหมายถึงถ้าเรามีแต่รูปอย่างเดียวเราจะรู้สึกไหมไ ม, ไม่รู้แต่ที่เรารู้สึกได้อะไรเป็นตัวบอกนามจรันมีนามด้วยเพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นปรมัติตมันจะเหลือแค่สองคือรูปกับนามแต่ถ้ามาจับตรงนี้เป็นแต่รูปเรารู้ได้ไงเป็นรูป เพรมีน้ําของเร า, เาไปสัมผัสมันก็เลยเป็นรูปน้ำเหมือนกันถ้าเฉพาะมันเราไปสัมผัสอันนี้คือคือรูปเท่านั้นเองถ้าเราไปสัมผัสปั๊บมันก็เป็นรูปกับน้ำเพราะฉะนั้นในแง่ของประมัตดแล้วท่านทําให้เหลือแค่สองคือรูปกับน้าเท่านั้นแต่ในแง่ของสมมตินั้นก็มากมายตามสมมุติขึ้นมาดังนั้นท่านเบื้องต้นท่านจึงให้รู้จักรูปกับน้ำเท่านั้น ให้ดูปรมัตเลยเพราะนั้นในวิปัสสนานั้นจึงเอาตัวปรมัตเป็นอารมณ์แต่สมถะนั้นเอาตัวสมมุติเป็นอารมณ์คือหมายความว่าวัตถุเป็นอารมณ์ดังนั้นรูปกับนามนี้เป็นปรมัตเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้ถูกขยายไปกว่านั้นในส่วนที่ เป็น i ิน visible ทั้งหลายน่นก็เป็นนามจน visible ก็เป็นรูปที่เห็นได้ที่เห็นไม่ได้นะสัมผัสได้สัมผัสไม่ได้นั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยเป็นเพียงรูป ก, กับนามความคิดและใจแปลกแยกแตกต่างสร้างเรื่องไหมได้ไหมไม่ได้เพราะมันไม่มีส่วนเปรียบเทียบใช่ไหมคือรูปกับนาม แต่ในโลกของความเป็นจริงเราได้ใช้สองมิติมิติส่วนตัวท่านให้ใช้ปรมัติมิติในส่วนที่เป็นส่วนรวมส่วนสังคมท่านให้ใช้สมมุติและเมื่อใดกเ็เราอยู่ด้วยตัวเองไม่มีการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเราก็ใช้ปรมัติคือกลับมาอยู่กับตัวเองไม่ต้องมีความคิดอะไรทั้งนั้นแต่สแตนบายเตรียมพร้อมอาไว้ แต่ถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติไม่เจริญวิปัสนาอย่างที่รู้สึกตัวชัดๆเนี่ยเราสามารถที่จะอยู่กับตัวเองโดยที่ไม่มีความคิดไม่มีความปรุงแต่งได้ไหมได้ไห ม, ไ ม, ไม <laughs> ถ้าไม่มีการฝึกฝนไม่มีการเจริญปัญญานเนี่ยเป็นไปไม่ได้เว้นแต่คนไรคนบ้า นะเพราะนันคนบ้า ก, กับพระรหันต์นี่ใกล้เคียงกันเพราะคุณบ้ า, บามันไม่คิดไม่อ่านอะไรเพราะมันไม่รู้ใช่ไหมแต่พระรหันต์ท่านไม่คิดไม่อ่านอะไรเหมือนกันแต่ว่าท่านรู้แต่ตอนใดท่านจะคิดจะอ่านก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่นะรู้จักใช้ถ้าหากว่าไปปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นถึงจะใช้สมมุติแต่เมื่อไม่มีการปฏิสัมพันธ์อื่นก็ใช้ประมรัดท่านเอง กำลังก็ไม่ได้ถูกใช้ไปใช่ไหมเหมือนกับเรากดปุ่มกดแชฉไฟมาเลยแต่เมื่อไม่จําเป็นไปไงกดดับเอาไว้ถามว่าไฟนั้นมีไหมมีเมื่อไปสัมผัสเท่านั้นเมื่อไม่ไปสัมผัสไม่ไปกดปุ่มก็ไม่มีไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เกิดขึ้นดังนั้นเองในจุดนี้ให้เข้าใจว่าตัวสมาธิฏฐิที่เป็นสมมุตินั้นทุกอย่างมี พ่อมีแม่มีโลกหน้ามีโลกนี้มีนรกมีสวรรค์มีการเกิดชาตินี้มีชาติใหม่มีพรหมมีอินมีจิตวิญญาณมีต้องเชื่ออย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่เชื่ออย่างนั้นก็จะเป็นอะไรมิจฉาทิฏฐินะฮะถ้าสมมตินรกไม่มีสวรรค์ไม่มีไม่จะเป็นต้องทำดีอะไรใช่แล้โลกนี้มันจะเป็นยังไงทีนี้ โอ้โหยิ่งก็มีใัยสัญญีอีกนะทำบุญไม่เป็นบุญทำบาปไม่เป็นบาปเนี่ยเพราะมันเป็นมิชฉยทิฏฐิเลยทนีนี้นั้นสมมติจำเป็นต้องมีแต่ให้รู้ว่านะโลกมีสวรรค์มีตัวคุณพ่อมีคุณของคุณแม่มีโลกหน้ามีโลกนี้มีให้เชื่ออย่างนั้นไว้ก่อนเพราะมันจะปลอดภัยสำหรับคนที่ยังไม่มีดวงตานะแต่เมื่อคนมีดวงตาแล้วเนี่ย จำเป็นจะต้องอาศัยราวอาศัยสิ่งจูงอาศัยไม่เท่าไหมไม่ต้องเพราะฉะนั้นตัวสัมมาทิฏฐิที่เป็นสมมุตินั้นเหมือนกับสิ่งที่ชักจูงเหมือนกับสิ่งที่คอยประคองเราไปให้ไปตรงทางต่อเมื่อใดเราสามารถเปิดตาเราขึ้นได้แล้วการชักจูงการชี้นาการบอกทางก็ไม่จะเป็นเราสามารถไปด้วยตัวเองได้ ดังนั้นพูทีเจ้าเวลาท่านแสดงธรรมท่านจึงเน้นแต่ว่าให้เกิดธรรมะจักรสุใช่ไหมตั้งแต่ธรรมเทศนาการแรกเลยจักคงุงอุทปฏิยาณังอุทัปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทปฏิอโลกูอุทปฏิจกักรสุเกิดขึ้นแล้วจกักรสุนั้นได้แก่อะไรญานปัญญาวิชาแสงสว่างนี่เดฟนิชันของคําว่าธรรมะจักรสุนะคือนิยามของมันถ้าธรรมะจักรสุ ไม่มีสี่อย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าธรรมะเจสุเราจึงเรียกทั้งสี่อย่างว่าธรรมะเจสุหรืออินเนอร์ายหรือปัจจุบันเขาเรียกเติร์ดไอตาที่สามนะหรือตาในหรืออินไซต์ไอหรือตาวิปัสนาหรือวิสเดมไอคือตาปัญญาก็ได้คือตาที่สามก็ได้แก่ความรู้นี่เองความรู้สึกตัวเองเริ่มต้นจากเนี่ยเริ่มต้นจากความรู้สึกตัวและความรู้สึกตัวที่เราทําเพียรทําบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันสะสมทีนิดนีด้นไป มันก็ซึมลึกเข้าไปเหมือนกับน้าหยดลงที่ทรายนะหลายดบหลายจุดหลายหยดเข้าตอนแรกๆปอกก็หายไปเลยใช่ไหมปอกก็หายไปเลยหูหยดเป็นร้อยหยดพันหยดก็ยังไม่เห็นหนะยดไปตลอด <c oughs> ทั้งวันทั้งคืนไปไงไอที่ตรงนั้นเริ่มชุม่มอ่าเริ่มชุม่มเหมือนกันเรายกแล้วยกอีกทั้งวันทั้งคืนก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น นั่นแสดงว่าทรายเป็นไงมันหนาทรายมันหนาพอตกลงไปเท่าไหร่ก็ซิวมาหายหมดเลยซิวตกตั้งหลายวันแล้วไม่เห็นชุ่มเลยเนี่ยทรายมันทั้งหนาโดยทั้งแห้งด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าให้ทรายมันหนาก็าจึงเลือกปู่ทุชนยังไงวะหนาเพราะฉะนั้นก็ถ้าคนไหนยกไปยกมาเริ่มประพิมพ์ประภัยเริ่มรู้อะไรบางอย่างขึ้นมาเอยแสดงว่าไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะเริ่มรู้สึกตัวนะฮะเพราะฉะนั้น ในจุดนี้จึงเป็นเหตุเป็นผลที่มีตะ ก, กะในตัวของมันที่สามารถพิสูจน์ได้นะทีนี้เมื่อเรารู้ว่าการสั่งสมตัวรู้ทีละขณะทีละขณะนี้คือมล็ดพันธุ์แห่งโพธิเราก็จะเกิดแรงบันดาลใจว่าสิ่งที่เราเคลื่อนไหวและใจรู้นี้ไม่ไร้ผลเลยมันคือขณะแห่งการตัดสรู้ตลอดเวลาที่จะก้าไปสู่เดินไปสู่งภาวะรู้แจ้ง <c oughs> เราก็จะเกิด <c oughs> ความมั่นใจ <c oughs> ในการเดินขอโทษนะมั่นใจในการกาหนดรู้เมื่อเรารู้ผลว่ามันจะออกมาอย่างนี้เราจะรู้สึกขี้เกียจไหมจะกาหนดรู้เนี่ยไม่ละเพราะเราเห็นมองข้างหน้าเห็นเ <c> ป <oughs> ้าหมายข้างหน้าเรานั่งอยู่นี่เห็นไฟดวงใหญ่อยู่ข้างหน้าใช่ไหมว่าเราจะเดินไปหาไฟดวงนั้นให้ได้ฉันใดก็ดีเรารู้ว่าบุคคลที่เป็นตัวอย่างแห่งการรู้แจ้งเนี่ยมีมากมาย เราก็เห็นบุคคลเหล่านี้เป็นแบบอย่างทางสังคมเป็นแบบอย่างแห่งการผู้ให้ความสุขเป็นแบบอย่างผู้ให้ความเป็นระบบระเบียบความเยอกเย็นความเจริญงอก ง, งามแก่สังคมเราเห็นแบบอย่างอย่างนี้แล้วก็โอ้เราก็อยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างอันนี้คือดวงไฟเป้าหมายที่เรามองเห็นแน่เพราะ <c oughs> น, นั้นเองในจุดนี้ก็จึงอยากจะให้เข้าใจทําด้วยความเข้าใจว่าเราทําไปเพื่ออะไร เมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะเกิดแปลงตัวศรัทธาให้เป็นปัญญาเพราะเมื่อเราไม่สามารถแปลงศรัทธาให้เป็นปัญญาได้เนี่ยเพราะศรัทธาวันหนึ่งมันก็จะต้องหดหายไปมันก็หมดศรัทธาใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราแปลงเป็นปัญญาสําเร็จได้มเมื่อไรเรารู้ความหมายตอนแรกศรัทธาทำให้เกิดปัญญาแต่เมื่อเมื่อใดศรัทธาทำให้เกิดปัญญาได้ต่อไปปัญญาก็จะทําให้เกิดศรัทธาเกิดความมุ่งมั่นขึ้นอีกหลายเท่าตัว เพราะรู้ว่าทำอย่างนี้มันได้อย่างนี้ทำอย่างนี้มันได้อย่า ง, นางแน่นอนแล้วศรัทธาก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเขาจากศรัทธานั้นก็ใช้เป็นแรงบันดาลใจละตัวนี้เราใช้อะไรภาษาอังกฤษใช้ inspire ภาษาไทยแรงังภาษาบุรีไม่รู้ว่าใช้ศัพท์อะไรตรงนี้นะกํากลังใจนะใช้กําลังใจที่จะเข้าสู่จุดมุ่งหมายอันนี้เอาละ เมื่อเรารู้ว่าตัวสมาธิฐิที่เป็นสมมุติจําเป็นสําหรับคนทั่วไปว่าจะต้องยอมรับสมมุติทางสังคมว่ามันมีอยู่เพื่อความเคารพเพื่อการตอบสนองต่อเพื่อรักษาดูแลซึ่งกันและกันนะก็ใช้สมมุติเข้าใจถูกต้องแต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอเราบูชาคุณพ่อคุณแม่เชื่อนรกมีสวรรค์มีชาติหน้ามีชาตินี้มีเนี่ยเราเชื่อแค่นั้นเราก็เป็นคนดีของสังคม ถามว่าเราเป็นแค่นั้นะเราเข้าวัดจะให้ทันจำศีลฟังธรรมแต่ว่าไม่ไม่ภาวนาเอาแค่นั้นพอถามว่าจะพ้นทุกไหมไม่ไม่พ้นเรามีคนดีของสังคมเยอะแยะแต่ยังมีความทุกข์อยู่ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นลําพังแต่เราเชื่อในสมาธิถีระดับสมมติจึงไม่เพียงพอเราจึงต้องพัฒนาตัวปัญญาที่เป็นสมาธิฐีระดับสมมติให้เป็นปัญญาที่เป็นปรมตภิอีกทีหนึ่ง ก็โดยมาเข้าฝึกฝนภาวนาอย่างที่เราเป็นกันเพราะนั้นเราทุกคนที่มาเข้าเนี่ยเป็นคนดีมาก่อนทั้งนั้นแต่ว่าเราก็ยังทุกกันอยู่ใช่ไหมทุกเพราะเป็นคนดีเกินไปเราเป็นคนดีไปเห็นคนที่ไม่ดีเป็นไงเราพูดดีกับเขาแต่เขาพูดไม่ดีกับเราเป็นไงเราเคารพเขาเขาไม่เคารพเราเป็นไงเราให้เกียรติเขาเขาไม่ให้เกียรติเราคนดีทั้งหลายก็เป็นทุกข์ใช่มเอามาไปเห็นหลังเชือของกลุ่มของสันติอโซ เขเขียนว่าย่งไงนะสังคมเลวเพราะคนดีท้อแท้เอามาก็เลยเห็นเฟ้นใหม่นะสังคมเลวเพราะคนดีดีไม่จริงพ่าเขาตีอารมณ์ตึ้อเลยานะถ้าคนดีดีจริงสังคมไม่เลวหรอกนะไอ้ที่สังคมเลวเพราะคนดีดีไม่จริงมันจริงเอาความดีมาหลอกกันแบบ มือถือสากฝากถือสีแล้วหลอกลวงสังคมดีใส่เอาหน้าใส่เอาดีเอาหน้าเอาตากันเนี่ยดีไม่จริงโอ้โหเขาติดอารมณ์เลยตรงนี้นะก็เลยบอกเขาโทษที <laughs> พูดตรงไปหน่อยบอกเขาเขียนว่าสังคมเลวเพราะคนดีทอแท้ไม่ใช่แบบนะั้นอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าหากว่าเราเป็นคนดีระดับสมมติเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาและความทุกข์ของตัวเองได้อาจจะช่วยคนอื่นได้อยู่แบบน่าชื่นแต่อกเป็นไง อกตรมนาช่วยเอ็นดูเขาแต่ เ, เราเขาด <laughs> เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะพ้นทุกได้ดังนั้นเราจึงมาเจริญวิปัสนาเพื่อที่จะเข้าใจสัมมาทิฏฐิระดับสูงขึ้นไปดังนั้นสัมมาทิฐิระดับต้นเชื่อว่าคุณชื่อนี้ชื่อนี้คนนี้เป็นพ่อเป็นแม่เราพอเป็นสัมมาทิฐิระดับสูงไม่ใช่ทั้งหมดคือรูปกับ นามคือท่าสี่และขันห้าเท่านั้นเองเมื่อเป็นอย่างนี้นรกสวรรค์อยู่ไหนนิพพานอยู่ไหนที่นี้ไม่ได้อยู่นอกตัวแล้วสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิพพานอยู่ไม่ไกลหายใจก็ได้ยินกลำพองอยู่นี่เลยตอนนี้นรกสวรรค์นิพพานแต่เมื่อก่อนนรกอยู่ใต้ดินสวรรค์อยู่บนฟ้า นิพพานอยู่ข้างหน้านะไปกันไม่ถึงสักทีหนึ่งเนะี่ยอันนี้คือเห็นว่าผลของเชื่อแบบสมมุติกับปรามัติคนละเรื่องเลยใช่ไหมทุกอย่างพอสมาธิที่แบบปรามุ่งก็หาตัวเองนั้นหมายความว่าเรามาเริ่มต้นที่เหตุนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสตรงที่เหตุของสิ่งทั้งหลายอย่างนึกได้ไหมว่าตอนที่พระสารีบุตรหลายคนรู้จักพระสารีบุตรใช่ม เมือ่อ 2,000 กว่าปีแล้วนะแสดงว่าปัจจุบันนี้เรายังรู้จักท่านอยู่แสดงว่าท่านตายไหมท่านไม่ได้ตายนะอายุท่าน 2,000 กว่าปีแล้วเนี่ยท่านก็ยังอยู่เรารู้จักที่ไปที่มาของท่านเป็นอย่างดีเดิมชื่อของท่านชื่อว่าอะไรนะ อ, อุปติสัยใช่ไหมอุปติสามีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าโกลิตะนะทั้งสองท่านในคบหาสมาคมกันต่างก็เป็นลูกคนดีมีสกุลเหมือนกัน ก็ปรากฏว่าต่างคุนก็ต่างเป็นคนดีของสังคมอ่ะมีเพื่อนมีมูลีวรรณแยะมีเพื่อนคนละสองร้อยห้าสิบคนปฏิศาสก็มีเพื่อนคนดีถึงสองรอห้าสิบคนโกลิตาก็มีเพื่อนเป็นคนดีถึงสองรอห้าสิบคนสองคนมุลิวรรณบอกกันเป็นห้าร้อยละทีนี้ไปเที่ยวไปที่ไหนก็เลี้ยไปพัฒนาที่ไหนก็ไปด้วยกันแต่วันหนึ่งไปดูละครด้วยกันไปเห็น คนดูละครเมื่อฉากไหนละครสะแสดงอาการดีใจคนก็ใช้โยโห่ร้องดีใจนะ้ำหูน้ำตาไหลใช่ไหมในฉากไหนละครสะแสดงความสุขเศร้าพกันร้องทั้งทั้งทั้งโรงละคระช่วงไหนมีการอีฉาพยาบาทมีการรักชิงวิ่งสวัสดอะไรก็เข้าข้างพระเอกเข้าข้างนาง เ, เอกเกลียดดูผู้ร้ายเขาเห็นสภาว่าจิตที่เปลี่ยนไ ป, เ ข, เ, นไปเขาเกิดเศร้าสลดทั้งสองคนนี้นะเราเศร้าสลดเอ๊ะทําทไม คนเรามีแค่นี้เหลอกกันไปหลอกกันมาไอ้ที่เขาเล่นนะคือละครเล่นแต่ว่าการร้องไห้การหัวเราะของเราเป็นของเล่นไหมของจริงแต่ทําไมเรามาแสดงอาการนี้มากกว่าเขาด้วยอะ่ะเกิดเสด็จขึ้นมาคนทั้งโลกถูกหลอกทั้งนั้นเลยว่า ง, งั้นการเล่นละครกันตลอดเวลาไอ้เราก็ไม่รู้เรื่องเราก็พลอยเอาของจริงไปเล่นกับเขาแต่เขาเอาของหลอกมาเล่นกับเราคุ้มเงินไหม แต่พวกเราก็น้ําตาตุกเพราะเรคอนไปหลายคนแล้วใช่ไหมแอบร้องไห้ไปหลายเรื่องแล้วว่างั้นเพราะความรู้อะไรเขารู้ไม่เท่าทันอในโกนมาใหญที่เขาหลอกมาแล้วในที่สุดเราก็ถูกหลอกใช่ไหมหลอกให้มีอะไรบ้างหลอกให้มีลูกหลอกให้มีเมียหลอกให้มีทรัพย์มีศิลหลอกให้มีออะไรเยะแยะแล้วก็ในที่สุดเราก็ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราถูกหลอกตลอดชีวิตเลยใช่ไหม มีลูกคนก็ต้องเลี้ยงกันครึ่งค่อนชีวิตใช่ไหมมีลูกสองคนก็โหโก็จะเ ล, เลี้ยงลูกจบอายุปา่าเข้าไปหกสิบเจ็ดสิบปีแล้วกลับมาจะมาหันหาสัจธรรมเนี่ยทันไหมไม่ทันแล้วเพราะเราถูกหลอกแท้ยอมรับไหมครับ <laughs> ยอมรับแต่โดยดีอ <laughs> นะ <laughs> เพราะฉะนั้นเราจะทำไงท่าสุดสองท่านเนี่ยเอางี้ดีกว่าเราต่อไปเราไม่ต้องมาเสียเวลากับสิ่งเหล่านี้ เราไปแสวงหาครูวายจัรกันว่าวาาจารย์สำนักไหนดีนะค่อยมาบอกเจอแล้วเขามาบอกกันเร า, าคนรถึงแยกหาไปก็ปรากฏว่าวันหนึ่งหลังจากที่พระพุทธเจา้าตรัสรู้แล้วได้ส่งสาวกหกท่านเนี่ยก็คื อ, คอ เ, เาบญจวบุคีทั้งหและรวมพระองค์ด้วยหกท่านออกไปเผยแพร่บอกให้ไปคนละทางนะอย่าไปทางเดียวกันเพราะว่าเพิ่งเกิดใหม่ใช่ไหม ทีนี้ปรากฏว่าท่านอา ช, ชิชิบเบญจวัคคหคือใครบ้างไงคุณธัญญาพระญญป<ร>่า<ร>พัทยะมหานามะอา ช, ชิ ช, ชิอาชิชิองค์สุดท้ายเนี่ยไปบ้านทางบ้านกาลันถามซึ่งเป็นบ้านของท่านอุปติสาพอดีไปบิณฑ บ, บาตบ้านนั้นก็ตามปกติท่านอุปติสาก็ใส่บาตรใส่ทำบุญตักบาตรเหมือนนักบวชทั่วไปสมัยนั้นบวชมันเยอะนี่หลายลัทธิหลายนิกาย ก็ปรากฏว่าท่านไปเห็นพบท่านอุปติศากลังบินาบาตเอ๊ะองค์นี้แปลกเดินนิ่มเดินสวยสำรวมสายตาอยู่ชั่วแอกไม่หลุกหลิกไม่พูดคุยเดินสงบสงเสงี่ยมอยากจะเข้าไปถามว่าท่านมาจากสำนักไหนอาจารย์ของท่านชื่ออะไรอาจารย์สอนว่าอย่างไรอยากไปถามอย่างนี้นะโอตอนนี้ท่านกําลังบิณาบาตเข้าไปถามผมไม่เหมาะนะก็ตามไปหาหา จนกระทั่งท่านไปวินัยบาตรกลับมามานั่งฉันอยู่ใต้ต้นไม้ก็นั่งอยู่ฮะจนสังเกตว่าท่านฉันเสร็จก็เข้าไปถามว่าท่านมาจากสำนักไหนพวกคุณเจ้ากราบก่อนนะเขาบอกกราบสมัยก่อนไม่ใช่กราบปลกุกปลุกสามพักอย่างเรานะคือเดินอะไรเดินพระทักษิณสามรอบรทักษิณสามรอบก็ตรงมาทําความเคารพว่าท่านมาจากสำนักไหนครูาอาจารย์ของท่านชื่ออะไรและครูาอาจารย์สอนว่ายอย่างไรพระชจชิบอกว่า อุบศสบอาตมาเนี่ยพึ่งบวชใหม่เพราะนั้นคณจะตอบปัญหาของท่านโดยละเอียดไม่ได้หรอกเพราะยังไม่มีรายละเอียดอะไรต่างๆท้านวโรดิศากบอกว่าพูดเจ้าไม่ต้องหนักใจเลยพูดชั้นสั้นเยอะๆก็ได้พอเข้าใจเพราะงั้นนะท่านอชาชชีก็เลยบอกเป็นภาษาของท่านว่าเยธรรมมาเฮตุพภาวเตสังนเฮตุงดทคาโต เตสัญจะยยนิโรโทจะเอวังวาทีมหสมโนให้ลงตาเห็นธรรมเลยพูดแค่นี้อันนี้เป็นภาษาของท่านนะนะเยธรรมาเหตุตัวสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุเตสัญจะโยนิโรโทจะสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดก็เกิดเพราะเหตุจะดับก็ดับที่เหตุนะเมื่อเราจะทำดีก็ทำที่เหตุจะทำชั่วก็ทำที่เหตุเมื่อทาเหตุแล้วผลต้องมีแน่นอน อาจารย์ของฉันสอนววาอย่างนี้เอวังวาทีมหาสมโนโอ้โหเข้าใจเลยท่านพาอท่านเป็นอุคติเตนอยู่เหมือนกระดอกบัวไปไงพล น, น้ำพร้อมที่จะบานคำกล่าวของท่านพระอาจจรย์ชีเหมือนกับแสงสว่างของพระอาทิตย์ยามเช้าที่สาดส่องมาพอจีเจของท่านพล น, น้าพอต้องแสงมันก็บานเลยพอเข้าใจนนพวกบาน้วเข้าใจ ได้ดวงตายเห็นธารมจริงทุกอย่างในโลกต้องมีเหตุไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นลอยลอยไม่ใช่ไม่ใช่ของจริงแต่ของจริงๆต้องมีเหตุเป็นที่ทไปที่มาแต่เราไม่รู้จักที่ไปที่มาของเหตุมันเท่านั้นเองในที่สุดก็ดีใจก็ถามว่าตอนนี้อาจารย์ของท่านพักอยู่ที่ไหนโอ้หนึงพักอยู่ที่อนุ ป, ปยะอัมพวันเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปพบท่านเดี๋ยวมขอไปพบอ่าเพราะผมมีเพื่อนอีกคนหนึ่งนะชื่ออะไรนะ เพื่อนท่านโกริตะนะก็ไปตามหาเพื่อนบอกเนี่ยไปบอกเพื่อนเนี่ยเพื่อนเจอแล้วนะอาจารย์เนี่ยไปเจอวันนี้เขาสอนว่าไงก็บอกให้เพื่อนแล้วอธิบายให้ท่านาโกริตะฟังท่านก็เข้าใจหลังจากอธิบายเข้าใจแล้วก็แ ล, วกแล้วก็พากันไปหาพระพุทธเจ้าที่อนุ ป, ปยอัมพวัน จบแค่นี้ก่อนเนาะเอาชิ้ครึ่งแล้เพราะอธิบายเรื่องของเหตุเท่านั้นเองมันเลยมาตัางไกลแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเลยประเด็นไปประเด็นต้องการให้รู้ว่าสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยตัวประมัต์เป็นเหตุของสมมุติเพรา ะ, ะนั้นการที่เรารู้เพียงสมมติคือไปรู้ที่ปลายเหตุเพรา ะ, ะนั้นเราส่วนใหญ่แก้ปัญหาที่ปลายเหตุมันจบไหมไม่จบยิ่งแก้ยิ่งไปไงยิ่งแก้ยิ่งพันกัน สมมุติเราไปเห็นใครสักคนหนึ่งเราชอบอเราชอบแต่เราไม่รู้เท่าทันความชอบอันนั้นไปเห็นสิ่งนั้นเราชอบเรารักเราไม่รู้เท่าทันเราก็เพิ่มชอบที่หนึ่งที่สองที่สามที่ ส, ส, ส, สี่ที่ห้าเพิ่มยูนิตทั้งความชอบไปมากเรื่อยๆ ย, ยิ่งเพิ่มเท่าไหร่กาลังของความชอบไปไงมีพลังนี่ใช่ไหมมีพลังตอนแรกมันเกิดที่ไหน กระทบตาก็ไปที่ใจชอบในใจใช่ไหมในเมื่อมันภาวะของการที่มันเขาเรียกว่าอะไร repetition น่ะการตอกย้ําการทําบ่อยๆการคิดอ่ะนะคิดในเรื่องชอบบ่อยๆมันเกิดการสั่งสมพลังและสั่งสมพลังความชอบความชอบก็มีพลังอยู่ที่จิตแล้วก็แสดงออกมาทางกายทางวาจาเป็นกายกรรมและวาจีกรรมเป็นกรรมแล้วใช่ไหม แล้วในที่สุดมันก็มีพลังดันนะให้เราไปพบสิ่งที่ชอบไปพบสิ่งที่เราคนที่เราชอบไปพบสิ่งที่เรารักกำลังตัวนี้ก็เป็นกำลังกรรมอ่ากำลังกําดันไปเหตุมันเพียงแต่ว่าตากระทบรูปแล้วเราไม่รู้เท่าทันเพราะนั้นจิตเราจึงถูกอะไรหลอกถูกความรู้สึกชอบมันหลอกเอาใช่ไหมแต่เราไม่รู้เท่าทัน นี่คือเหตุตรงนั้นนะสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุไอการที่ต้องมีทรัพย์สมบัติมีลูกมีเจ้ามีผัวมีเมียมันเกิดมาจากขนาดตรงนั้นเองแต่เราไม่รู้เท่าทันเพราะเราไม่ได้เจริญวิปัสนาถึงเจริญวิปัสนาแล้วแต่ว่าแรงกรรมเรายังแรงอยู่รู้ว่าต้นเหตุว่าเมื่อตากระทบรูปเราชอบแต่เราไม่สามารถจะรู้สึกความรู้สึกชอบนี้ออกไปได้เพราะอะไรทั้งที่เราก็รู้อยู่แต่ อ, ออกไม่ได้เพราะ ตัวรู้เท่าทันนั้นมีกำลังน้อยกว่าความรู้สึกชอบจึงไม่สามารถจะดันตัวนี้ออกได้ดังนั้นเราจำเป็นต้องเพิ่มเอ๊ะฉันก็ปฏิบัติมาตั้งนานแล้วหลวงพ่อฉันก็อยากจะแต่งงานอยู่เน้ยเนี่ย <laughs> ใช่ไหม <laughs> ก็ปฏิบัติมานานก็จริงแต่ว่าขณะแห่งการรู้ตัวเนี่ยมันยังน้อยกับขนา ข, ของความรู้สึกรักและชอบใช่หมมันความรู้สึก ความรู้เท่าทันนี้จึงไม่กําลังจึงไม่พอเพราะฉะนั้นให้ทำไงจึงจะลัำบากก็ต้องเก็บความรู้สึกกับการเคลื่อนไหวนี่ยังไม่พอกับออเดียบทย่อยกับอะไรต่างๆใส่ความรู้สึกนี้เข้าไปเข้าไปบางคนโอ้ทาไปแล้โอ้ฉันไม่อยาไม่อยากไปนิพพานฉันอยากแต่งงานเสซะก่อนนูเสร<ะ>็จเลยอันนี้เขาเรียกกรรหนักแล้วว่ากันเพราะมันสังสมเพาราะมันสังสมแห่งขนาดแห่งความชอบนี่เข้าไปลึกเหลือเกินนะ่ยนะถอนไม่ได้อันนี้เขาเราียกวํา เอามาก็สังเกตว่าคนที่ต้องถูกบังคับให้แต่งงานจะได้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจส่วนใหญ่แล้วมีกรรมมาก็คือไม่ค่อยดูแลพ่อแม่ตัวนี้ต้องไปเสวยกรรมเนะี่ยเอามาดูนะใครก็ตามที่ดูแลพ่อแม่มาอย่างดีเนี่ยคนนั้นมักจะไม่ค่อยความรักความชอบบีบคั้นเท่าไหร่ถึงบีบคั้นแต่ก็สามารถที่จะทนได้แต่ถ้าคนนั้นมีกรรมมาคือไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยใจใส่พ่อแม่เนี่ยกรรมตัวนี้จะแรง บีบให้เราต้องไปเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวจนได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียจนได้การเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่กับเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเนี่ยอไรง่ายกว่าอะไรยากกว่าพ่อแม่ง่ายกว่าง่ายกว่าแต่ทาไมเราไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทไมไเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวเลี้ยงเมียล่ะเพราะกำมนแรงเกินไปกำมนแรงเกินไปนะมาสังเกตนะมาสังเกตหลายคนเนี่ยที่จะต้องตกไปบางคน ก็ไม่มีจิตใจฝักใฝ่ทั้งนี้เพราะว่าดูแลพ่อแม่มาอย่างดีนะดังนั้นใครก็ตามที่เป็นพระคุณต่อเราเน่ยเราดูแลเอาใจใส่อย่างดีก็กรรมนี้ก็จะไม่แรงถึงบีบเราเราก็สามารถทนได้แต่ถ้าหาว่ากรรมตัวนี้มันแรงที่ไม่ได้เอาใจใส่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้มีพระคุณทั้งหลายให้ถูกต้องกรรมตัวนี้ก็จะบีบคั้นเราถึงแม้เราปฏิบัติธรรมแต่ว่าเราก็ทนไม่ได้เพราะกรรมตัวนี้มันแรงดังนั้นลักษณะของการตากระทบรูปเกิดชอบหรือไม่ชอบ ก็จะมีผลแต่ความชอบหรือไม่ชอบนั้นจะแรงหรือจะรุนแรงหรือไม่ขึ้นอยู่กับการกระทบบ่อยๆเหมือนกระทบน่ยทุกหนึ่งครัง้งสองครัง้งสามครั้งเสียตัวไปบ่อยๆเป็นไงตรงนี้ก็จะแดงจะช้าใช่ไหมแล้วจะเจ็บเพราะมันเพิ่มความรุนแรงขึ้นเล ย, เลยจิตของเราเมื่อคิดบ่อยๆกระทบเขาเรียก ว, ว่านามารูปที่ไปกระทบจิตเนี่ยกระทบบ่อยเข้าๆเข า, ขามาเกิด ค, ความร้อนแรง จึงเรียกว่าไฟคืออะไรถ้าหากความชอบที่มากระทบเป็นความชอบก็ไฟนั้นกลายเป็นราคะหรือโลภะแต่กระทบด้วยความไม่ชอบมันก็เป็นประกายไฟแห่งโทสะและปฏิฆะนะแต่ลรกระทบแล้วเราไม่ได้รับรู้ไม่ได้สนใจไม่รู้เรื่มันเป็นชอบหรือไม่ชอบแรงกระทบมันก็กลายเป็นโมหะ ความสลุมสลุมสลัวสลัวจะว่ามืดก็ไม่ใช่จะว่าสว่างก็ไม่เชิงอ่าคุ้มเครือโมหะดังนั้นตรงนี้คือเหตุใช่ไหมเหตุของทุกทั้งหลายเกิดขึ้นจุดนี้เมื่อพระสาิบุตรเข้าไปเฝ้าพุทธเจ้าพุทธเจ้าจัดเรื่องนี้ให้ฟังก็เลยขอบวชขอบวชแต่ท่านได้เพียงพระโสดาบันเท่านั้นนะก็ขอบวชยังไม่ าสามารถที่บรรลุพระอรหันต์ได้บวชไปก็รู้สึกนึกถึงเพื่อนสองห้าสิบคนเนี่ยนะอยากจะให้มาฟังทำอย่างที่ฟังเหยาวพุทธเจ้าก็ไปตามหาเพื่อนมาตามภาษากรรมฐานหรือว่าเป็นไงติดวิปัสสนูนะเป็นวิปัสสนูเลยในะช่วงนั้นภาษาลิบุตรเป็นวิปัสสนูเลยขอลาพุทธเจ้าไปตามหาเพื่อนทั้งหมดมาพบพุทธเจ้าปรากฏว่าเพื่อนมาฟังพุทธเจ้า บรรุทำไปก่อนเลยนะเป็นพระหรหันต์หมดเลยแต่ตัวเองยังเป็นพระโสดาบันอยู่นะลูกพี่ยังเป็นพระโสดดาบันลูกน้องเป็นพระหรหันต์หมดแล้วทําไมอ่ะเพราะท่านท่านยังไม่ลงร้อยเปอร์เซนอ่ะยังไม่ลงร้อยเปเซนตผ่านไปสิบสี่วันปรากฏว่าลุงของท่านเนี่ยชื่อว่าทีคานาคะอคิเว ส, สนาโคตทีคานคะก็ตามหาหลาน ตามพุทธิหลานลุงคู่นี้เขาชดนันทธรรมกันเรื่อยแต่ปรากฏว่าหลานหายไปสิบกวันไปไหนตามหาหลานหาไปทาไปสื่อถามมาบอกว่าไปบวชกับพระสมณโคตมะก็ตามไปที่สำนักของพุทธเจ้าก็ปรากฏว่าหน้านั้นเป็นหน้าร้อนเนาะพระสารีบุตรก็ถวายงานพระพุทธเจ้าอยู่ที่คณะขาก็เข้าไปประทักสินกราบพุทธเจ้าว่ า, าพระพเจ้ากําลังตามหาหลานอยู่ว่าอยู่ที่ไหนมาหาท่านที่ีตามพุทธิหลานของ ผมคนนี่เป็นคนที่ฉลาดมากท่านสอนเอาอะไรมาสอนเขาเขาถึงได้เชื่อท่านออกบวชอย่างเงี้ยอา้าเมื่อก่อนได้ข่าว่วาชนนนธรรมกันเรื่อยไม่ใช่เลยก็ชนนนธรรมเหนนะก็ใช่แล้วก็ท่านสอนว่ายังไงผมก็ก็ตามหลักของผมอะ่ะก็ลุงท่านก็เป็นเจ้าระที่เหมือนกันนะทีฆาณค่ะเนี่ยทีฆาณขาะไปว่าเล็บยาวไงท่านไว้เล็บยาวมากทีฆ่าไปว่ายาวหน้าขาไปว่าเล็บยาวไหมหน้าขาทีฆาณค่ะก็คือ ลัทธิเล็บยาวเหมือนผู้หญิงไงเนาะไว้เล็บยาวผู้หญิงทุกคนนะสืบดัที่มาจากทีฆานาักข่อาคิเวสนาโค่นนะใช่ไหมตามหลักก็ไม่มีเหตุผลที่จะไว้เล็บยาวเลยแต่มันเป็นลัทธิอันหนึ่งฝพิงรู้ความลับวันนี้ใช่ไหมว่าการไว้เล็บยาวนี่เป็นลัทธิอันหนึ่งของทีฆานาักข่อาคิเวสนาโค่นก็เลยมีใช่ไหมสืบมาสองพันปีแล้วลัทธินี้ยังมีอยู่ใช่ไหมส่วนใหญ่จะว่าแต่ผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ไว้เล็บยาวบางคนนะ ทีนี้ก็เลยถามกันไปทั้งมาพนละ้วผู้เจ้าก็ถามว่าท่านสอนอยังไงน้องผมอันไหนถูกใจทิ้งนั้นผมก็มันถูกต้องนะอันไหนที่ถูกต้องอันนั้นก็ถูกใจแต่สิ่งไหนไม่ถูกใจสิ่งนั้นก็ไม่ถูกต้องสิ่งไหนไม่ถูกต้องคือคือไม่ถูกใจผมก็สอนอย่างนี้ว่า ง, งั้นนะผู้เจ้าใช่หรือเปล่าถ้าสมมุติว่าท่านใครทำให้ท่านโกรธ ถ, ถ้าคนถึงเอาตายกันเนี่ยท่านไปฆ่าเขาท่านก็ถูกใจท่านใช่ไหมใช่ แล้วมันถูกต้องไหมอ๋อชัดงงร่อมกันแล้วนี่ถ้าเพื่อไปฆ่าคนตายให้มันถูกใจท่านอ่ะเพราะคนนั้นอาจจะทําร้ายอะไรท่านนั้นแค้นท่านก็ได้ฆ่าเขาเพื่อปอยใจถูกใจท่านแต่ว่าถูกต้องอ๋อไม่ถูกอะแต่ถ้าท่านไปทำอรีอะไรบางอย่างเนี่ยมันฝืนใจท่านเช่นไปบําเพ็ญตบะมันฝืนใจท่านแต่ท่านบอกว่าไม่ถูกใจแต่การทําบําเพ็ญตบะเพื่อการดับทุกข์มันถูกต้องไหมถูกต้องแต่มันไม่ถูกใจท่านถือว่าถูกต้องไหม สักไปสักมาชักงงนะงงอันแสดงว่าละทิ้งของท่านใีใช้ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่สัจธรรมเพราะมันเปลี่ยนแปลงได้นี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีความเชื่อของท่านคือเป็นแต่เพียงความรู้สึกที่เป็นเวทนาเท่านั้นเวทนาพอใจไม่พอใจเป็นเรื่องโทมนัสโสมนัสเท่านั้นไม่ใช่ตัวที่เป็นตัวอ่าสติปัญญาอะไรทีนี้พอพระพุทธเจ้าซักนจนๆเรื่อย่างนี้ก็กย้อนถามบระพุทธเจ้าแล้วท่านสอนอยังไง พุทธเจ้าก็ตรัสเรื่องเวทนาซึ่งจะพูดกันในวันต่อไปแต่วันนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องสมามวาทิถีนะมันไหลไปถึงเรื่องเวทนาแล้วงั้นดังนั้นในเรื่องของความเข้าใจในความรู้สึกที่มากระทบต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนี่คือยกตัวอย่างทางตาทางเดียวนะทางหูอีกละ่ะที่เราฟังแล้วชอบหรือไม่ชอบมันหลอกเราใช่ไหมเสียงเหล่านั้นเราจะไปบอกว่าคนอื่นหลอกเรานี่ถูกไหม ถ้าเราไม่หลอกเราเองก่อนคนอื่นหลอกเราได้ไหมไม่ได้การที่เราถูกหลอกแล้วถูกหลอกคนอื่นหลอกแล้วหลอกเราแสดงว่าเราเป็นไงหลอกตัวเองซ้ํากเหมือนกันเหมือนกันแต่เราไม่ยอมรับโทษนั้นเพาเราหลอกตัวเองนะะะฉนั้นเองเราก็ถูกอายตนะรูปเสียงกีรศสัมผัสมันหลอกให้โลภให้โกรธให้หลงมาตลอดนี่แหละเราก็ถูกสิ่งนั้นมันหลอกเพราะเราไม่รู้เท่าทันเพราะอะไรจึงไม่รู้เท่าทันก็เพราะตัวมาสร้าง กำลังของสติสมาธิปัญญาคือตัวรู้เท่าทันมันไม่เกิดขึ้นหรือมีน้อยเกินไปดังนั้นการภาวนาตามที่มาสังเกตมาผู้ที่ภาวนาได้ต่อเนื่องในวิธีมากที่สุดคือวิธีการของพอทียนถ้าวิธีการอื่นเท่าที่มาทำมาเนี่ยเราก็นั่งทีละสองชั่วโมงแล้วก็หยุดไปพักหนึ่งก็ถึงมาทำใหม่มุ่ที่อยู่ไปครึ่งวันก็มานั่งภาวนาต่ออย่างนี้นะ ที่เคยทำมามว่าพุโทโธสัมมาหังคือทําบ้างไม่ทําบ้างทําไม่ต่อเนื่องถ้าทํามากไปก็ว่าสุดตรงพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะทำน้อยไปก็หย่อนยานผิดคําสอนพุทธิเจ้าเอ๊ะเลือกขนาดไหนนะถึงจะขนาดไหนถึงจะพอดีนะไม่สุดตรงตรงนี้แหละเรื่องที่เรากําลังตกเถียงกันถ้าหากว่าทํามากเกินไปก็ว่าสุดตรงทําน้อยเกินไปก็หย่อนยานแล้วตรงไหนก็คือพอดี ความพอดีเนี่ยเกณฑ์มาตรฐานจะเอาเป็นตัวกลางเนี่ยไม่ได้อย่างสมมุติว่ามาชอบทานอาหาร อ, าอิ่มมาตรฐานคนอนึ่งคือสามจานอย่างนี้นะแต่โยมคนนี้โอ้ผมจานเดียวผมก็อิ่มแล้วความพอดีระหว่างอาตมากับคุณนั้นไม่เท่ากันแล้วใช่ไหมนะโอ้ผมนอนหกชั่วโมงเนี่ยพอดีแล้ว บโอ้ฉันไม่ได้ฉันต้องแชั่วโมงหรือเก้าชั่วโมงอย่ามานอนหกชั่วโมงก็ไม่ได้เพราะความพอดีของอีซีแต่ละคนน่ยไม่เท่ากันเพราะนั้นเราต้องหาความพอดีของเราเอง <Okay. S 1> ดังนั้นการปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าหากว่าพอดีของเราเราเอาอะไรเป็นมาตรฐานก็คือทำให้เรารู้ว่ากายกับใจอยู่ด้วยกันชัดชัดถ้าเรารู้รู้ชัดว่าถ้า กายถ้าจิตของเราออกจากไปทั้งอดีตก็เป็นสุดตรงอีกทางหนึ่งวิ่งไปอนาคตก็เป็นสุดตรงทางหนึ่ ง, ง, ง, ง, งใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่กายกับใจมาอยู่กับปัจจุบันปั๊บเป็นทางสายกลางวิธีใดก็ตามสามารถประคลองกายกับใจให้อยู่ร่วมกันได้นานที่สุดเป็นกลางมากที่สุดวิธีนั้นคือนําสู่ทางสายกลางคุณจะทํามากทําน้อยก็ตามแต่ขอให้กายกับใจอยู่กันชัดๆเท่านั้นเอง เข้าใจไหมเข้าใจนะให้รู้ว่าจิตขณะนี้อยู่ก็ให้รู้ว่าอยู่จิตขณะนี้คิดก็ให้รู้ว่าคิดให้รู้ทันทุกครั้งตรงนี้คือทางสายกลางคุณจะทํามากหรือหรือทําน้อยก็ตามแต่ให้กายกับใจได้ได้รู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ตลอดเวลาแม้แต่บางครั้งอามาหลับก็ยังรู้ว่าหลับเลยมีสติในการคือบอกไม่ถูกนะถ้ามันเป็นเราจะรู้เหมือนเราอีกคนหนึ่งอะ่ะแล้วก็เห็นตัวเองหลับอยู่ อ๋อหลับยังมีสติเป็นอย่างนี้เลยเราก็รู้เมื่อก่อนเราก็บอกเออก่อนนอนให้มีสติตื่นมาก็ให้มีสติเรียกว่านอนมีสติแต่จริงๆไม่ใช่แม้แต่หลับก็ให้รู้ว่าเรากำลังหลับอยู่มีตัวรู้ด้วยนะเคยเป็นไหมยังไม่เคยปฏิบัติไปเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นนะมันยิ่งๆปฏิบัติไปยิ่งได้พบในสิ่งที่มหัจจันมากขึ้นในใจของเราเนี่ย มันมีอะไรหลายอย่างน่าน่าศึกษามากเอามาถึงบอกว่าโอ้โหคนที่อายุมา ก, มากนี่เสียดายเพราะอะไรเพราะว่าอินทียและความเข้มแข็งไม่พอแล้วนะหมายความว่าความเข้มแข็งแต่ถ้าหากว่าคนอายุมากถ้ า, ารักษาร่างกายเข้มแข็งจิตใจเข้มแข็งสติสมรย่ดีก็โอเคอาจจะไปได้ไกลเหมือนกันดังนั้นจึงอยากจะให้ติดตามเรื่องนี้ แต่ว่ากวรจะยอมรับได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะควจะยอมรับได้ต้องได้เห็นผลตามลําดับถ้าเราไม่เห็นผลอะไรเลยเนี่ยมันก็ไม่เกิดแรงศรัทธาไม่เกิดแรงดนใจที่เราจะต้องทํำกันอย่างจริงจังเพราะฉนั้นการเคลื่อนไหวช่วงที่มาเข้าใจแล้วการเคลื่อนไหวเนี่ยพยายามให้รู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้การเดินการขยับขยื่นเคลื่อนไหวการเดียวซ้ายไหลขวาการได้ทําอะไรที่ไม่เร่งรีบเกินไปเนี่ยรู้สึกว่ากําหนดสติได้ง่าย ทีนี้พอมันจะเร่งรีบแล้วก็ให้เหตุผลแล้รีบไปทําไมก็ให้ทันเขาแล้วทําไมไม่เตรียมก่อนหน้า น, นั้นน่ะแต่มาเตรียมทําไมใกล้ๆเนี่ยน่ะพอมาเตรียมใกล้ๆรถจะออกเราก็รีบไปใช่ไหมกูไม่ทันรถอย่างนี้นะ่ะเอาเวลารถออกตั้งชั่วโมงคุณทำไมไม่เตรียมมาไปเตรียมทําไมคุณรถออกจะออกห้านาทีคุณไปเตรียมช่วงนั้นทําไมเป็นอะไรเป็นกรรมของเราเองนะทําให้เราเกิดการเร่งรีบตรงนั้นยิ่งเรียบก็เสียสติมากใช่ไหมก็ค่อยๆทําไป เพราะนั้นเมื่อเราจะเลยสติไปแล้วเราจะรู้วิธีละบริหารเวลามันก็จะไม่เกิดความลืม บ, บริหารไปแล้วก็ได้สติไม่ว่าทานข้าวอาบน้ําอย่างทานข้าวเนี่ยบางคนทานเดี๋ยวเดียวเสร็จละโอ้เสียดายขาดสติในการเคี้ยวอะไรเออก็ทานไ ป, ไปเรืเอเ่อยๆเลยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเสร็จพอเสร็จแล้วก็จะรีบไปไหนอ่ะรีบไปเข้าห้องน้ํารีบล้ห้องน้ำเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วแล้วรีบไปไหนอีกอ่ะ ตลอดเวลามีในความเร่งรีบเท่านั้นด็โอจะรีบไปปฏิบัติอีกแล้วเอาขนาดที่ทําอยู่เนี่ยก็ปฏิบัติอยู่แล้วจะรีบไปไหน่งใช่ไหมทานข้าวก็ปฏิบัติอยู่แล้วอ่ะจะรีบไปไหนนี่ตลอดเวลามันเลยใกล้ไปนนิสัยของความเร่งรีบตลอดเวลาผมจะรีบไปปฏิบัติอา้าวรีบปฏิบัติพอปฏิบัติก็นั่งง่วงเลยทีนี้รีบ <c oughs> <c oughs> ไปก็เลยชีวิตก็เลยถูกได้ถูกดุนจากตัวยาก ตัวเร่งรีบตลอเวลานะคัดังนั้นเองก็จึงอยากจะให้ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังทุกขณะของการปฏิบัติหายใจเข้าหายใจออกเหลวสายไไลหัวกลมเงยหยิบหยับโอ้มันช่างมีชีวิตชีวาเหลือเกินนะอันนี้ต้องสัมผัสนะถ้าหากว่าอม า, มาพูดถีงนี่หาว่าเอาอะไรมาพูดเหลวไหลไห้สารละเพลเจอไม่ใช่เงนนะต้องไปสัมผัส ด, ด้วยตัวเอง แล้วมันมันอบอุ่นนุ่มนวลสุขุมเยือกเย็นลุ่มลึกจริงๆในตัวที่เราสัมผัสได้บางครั้งยิ่งเรามีทุกเวทนาบางค า, าบางยิ่งน่าดูนะยิ่งมีความร้อนของอากาศมีความเย็นของอากาศมีความเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ไม่ปกติสติมันตื่นตัวมากเลยอ่ามันไม่มันไม่วิ่งไปตามเหตุการณ์นะนั้นตลอดเวลาคือเป็นเวลาแห่งการสแตนบายเพื่อตั้งรับในสิ่งทุกสิ่งที่กําลังจะเข้ามาเตรียมพร้อม เตรียมพร้อมทุกเหตุการณ์ทุกอย่างกําลังจะเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยตลอดเวลาไม่ใช่ว่าตอนนั้นจะเกิดมันเกิดได้ตลอดเวลานะแล้วก็เตรียมศึกษาไปเตรียมพร้อมไปลักษณะนิ้สติก็จะกลายเป็นอัตโนมัติในชีวิตของเราไม่ใช่บังคับให้เป็นแต่ว่ามันเป็นโดยอะไรโดยอัตโนมัติทำไมจึงเป็นอัตโนมัติเพราะเราฝึกฝนในสิ่งนั้นบ่อยๆฝึกฝนเพื่อให้มันเป็นไม่ใช่เพราะเราเห็น ประโยชน์และอานิสง์ของมันเดี๋ยเหมือนโยมเนี่ยเอารับจ้างนี่ฮถ้าชั่วโมงละหนึ่งบาทก็ปกติธรรมดาแต่ถ้า ง, งานนะั้นชั่วโมงละหน0 0งบาทเป็นไงโอ้โหตั้งใจเป็นพิเศษเลยนะอะ่มันไม่เคยได้นะทําอย่างดีแต่ว่าไม่คํานึงถึงความยากลาบากทําอย่างนี้จะให้ทําคนไหนก็เอาถ้าเกิดเป็นชั่วโมงละส0งพบาทเป็นไง ยิ่งเอาเท่าไหร่เท่ากันเอางั้นนะจะทำทั้งวันทั้งคืนก็ได้แต่ขอให้ไในชั่วโมงละสูงสูงอันนี้ก็เหมือนกันนาทีต่อนาทีแล้วได้เห็นประโยชน์ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวเนี่ยสูงเราก็ให้ความสําคัญนั้นเวลาที่ผ่านไปช่วงไหนที่ ร, รู้สึกรีบร้อนไปนิดหนึ่งรู้สึก อ, อพลาดละไม่มีผิดะแต่มันพลาดล ต, ตั้งสร้างสติใหม่แต่เราก็ไม่ได้หมายควมามว่าเราจะยืยยดแยดเหมือนเต่าเหมือนหอยนะหมายความว่า เร็วในการที่คนเร็วช้าในการที่คนช้าเร็วอย่างมีสติก็ได้แต่มันบางเหตุการณ์เท่านั้นใช่ไมไม่ใช่ทุกเหตุการณ์เหตุการณ์ที่ทำสบาสบายที่ไม่มีอมะไรมาบีคคั้นแล้วก็พยายามแบบสบายแต่บางเหตุการณ์นั้นจะต้องเร็วให้ถูกกาลาเทศะเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะยืดยากตลอดไม่ใช่นะเร็วในส่วนที่คนเร็วช้าในส่วนที่คนช้าแล้วก็กะบริหารเวลาต่างต่างให้ดีอันนี้ใ น, นส่วนที่เป็น สัมมาทิฏฐิที่เป็นเหตุต้องเริ่มณนะตรงนี้ก่อนเมื่อเป็นเหตุตรงนี้ชัดเจนถูกต้องแล้วเวลาเราจะคิดทีนี้นี่หมายถึงพูดในส่วนที่เป็นลักษณะที่เป็นรูปธรรมทั้งหลายนะการใช้ทางกายเวลาเราจะคิดมันจะต้องผ่านอะไรตัวกายที่จะนำไปสู่การคิดต้องผ่านอะไรก่อน มากล่าวหลายครั้งว่าระหว่างรูปกับนามที่เขาจะสัมพันธ์กันได้มีตัวกลางเหมือนไฟเนี่ยมันจะมาผ่านมาเ ป, นเป็นได้มันต้องผ่านอะไรผ่านคัดเอาใช่ไหมเอาคัดเอาลงไฟดับเอาคัดเอาไฟขึ้นแล้วผ่านสวิตผ่านสวิตตัวสวิต ท, ที่เชื่อมระหว่างรูปกับนามเขาด้กันเราเรียกว่าเวทนาใช่ไหมเวทนามีอยู่สามหนึ่ง สิ่งที่รูปกระทบรูปเกิดในฝ่ายที่เป็นสุเวทนาก็จะบอกถึงโทม น, โมนัสโซมานัสเวทนาคือความพอใจถ้ารูปที่มากระทบทำให้เกิดในภาวะที่ไม่ดีก็ให้เกิดโทมานัสเวทนาเรียกว่าความรู้สึกที่ไม่พอใจคือเวทนาเป็นตัวเชื่อมใช่ไหม แต่สิ่งที่มากระทบนั้นยังไม่แน่ใจว่าพอใจหรือไม่พอใจเฉยเฉยเราเรียกว่าอุปเปกขาวเวทนาน่คือเฉยเฉยไม่ได้ตอบสนองอะไรดังนั้นตัวเวทนาจึงเป็นตัวเชื่อมระหว่างรูป ก, กับนามถ้าเราจะเรียนรู้เรื่องนามต้องผ่านที่เวทนาดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเรื่องเวทนากับพระสารีบุตรหรือท่านอุปติสสะเรียกเวทนาปริคาสูตร ซึ่งจะยังไม่ลงรายละเอียดนะ่ดังนั้นเรื่องนี้จึงว่าถ้าเราเข้าใจได้ถูกต้องแล้วเนี่ยการเคลื่อนการไว้การไปการมาแต่างๆมันจะเห็นได้ถูกหมดนะเห็นได้ถูกหมข้อมากายกับใจอยู่ตรงกันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาทีนี้กายกับใจอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็จะเห็นสิ่งที่เกิดกับกายกับใจได้มากขึ้นได้กว้างขึ้นได้ลึกขึ้นเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดกับกายกับใจได้มากขึ้น จิตที่จะกดแกวงไปอดีตใอนาคตมันก็น้อยลงความคิดปรุงแต่งก็น้อยลงแต่ในกรณีที่จิตของเรายังไม่เกิดศรัทธาและไม่เกิดปัญญาที่จะมายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจอย่างชัดเจนเนี่ยมันก็ไม่เอาหรอกทุกข์เกินไปมีแต่ทุกข์เท่านั้นตลอดเวลาใช่ไหมเดี๋ยวเจ็บตรงนั้นเดี๋ยวคันตรงนี้เดี๋ยวแสบตรงนี้เดี๋ยวอึอดอดัดโอ้ มันคันไปทั้งตัวเลยนะไม่สนุกสู้ไปเที่ยวไปกินไปเล่นไปดูหนังฟั ง, พงเพลงเพลินไปเลยดีกว่าแล้วมานั่งเครียดอยู่กับทุกวันๆจะได้ไประโยชน์อะไรใช่ไหมแต่คนสมัยใหม่แต่ในแง่ของการศึกษาเนี่ยท่านเรียกอาการที่โทนต่อสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าตะบะบําเพ็ญตาบะเราก็ลําเพ็ญ <c oughs> ตบาบะตาบะคือเรียกว่าอะไรว่าเราเรียกว่าเต่าเนาะ เออถ้าเราปรุงอาหารถ้าไม่มีเตาเนี่ยจะสําเร็จเป็นอาหารไหมเราจะนึ่งข้าวสักหมอ้อหนงต้มข้าวสักหมอ้อถ้ามีมีเตาเนี่ยก็ไม่สําเร็จนะใช่ไหมตัวเตานั่นเองมันจะเปลี่ยนข้าวสารเป็นข้าวสุกเปลี่ยนวัตถุดิบทั้งหลายกลายเป็นอาหารใช่ไหมเปลี่ยนของที่ใช้ไม่ได้ให้เป็นของที่ใช้ได้ต้องผ่านความร้อนทีนี้ตัว การที่ดึงจิตมารับรู้ต่อสิ่งความทุกที่กำลังเกิดขึ้นนับปัจจุบันถามว่าจิตสบายหรือไม่สบายรู้สึกสบายไหมสนุกไมมาดามว่ า, า, ว น, านั่นแหละถ้าใครไปนั่งทำคามเพลนรู้สึกสบายทั้งวันนี้ถือว่าไม่ถูกทางแล้วนะถือว่าผิดปกติถ้าใครรู้สึกหงุดหงิดํำคาอนอดึดอัดโอบอ้าวเบื่อในา่ายาำอันนั้นถูกต้องเลยเพราะอันนั้นคือตบาก อ่ามันไม่มีความสูงหรอกแต่มีแต่ท่าต้องการเพิ่มให้ทุกมันมากขึ้นถ้าสมมุติว่าเอาแล้วโยมจะหุงข้าวหม้อนอึงย่โยมจุดเทียนสักสามเรื่มไปเจอะก้นมันไว้เนี่ยมันจะสูงไหมเพราะอะไร <c oughs> เพราะไฟมันน้อยเกินไปใช่ไมเออเรานั่งสบายๆไปทำอะไรลำบากผ่อนคลายธรรมชาติเออข้าวจะสูงไหมนะไม่สูง เราต้องเร่งไฟเนี่ยให้มากขึ้นเหมือนกันเรานั่งอยู่เฉยๆเหมือนกับตั้งหม้อข้าวไว้แต่ไฟอ่อนๆไม่สูงมันเป็นต้องสร้างจังหวะต้องเดินโจงกรเหมือนใส่ฟืนไปเรื่อยๆอ่ะเออให้มันง่วงมันเหงามันเบื่อมันขี้เกียจมันปวดมันร้าวมันเซ็งมันหงุดหงิดโมโหอะไรพวกนี้เป็นตบะทั้งนั้นเลยอันนี้คือไฟเราทนได้ไหมขันติประมังตโปดีที่ขันติคือความโบดกันเป็นทำเครื่องเป็นตบะ เครื่องเผากิเลสใช่ไหมอันนี้คือตบาบะท่านพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้นามาไว้ได้ว่าเองนะคันติปรมังตโปตีติฆะคันติคือความกเบเป็นตบาบะเครื่องเผากิเลสอย่างสูงเพราะฉะนั้นใครที่จะบอกว่าปฏิบัติแบบสบ า, สบายๆดูใจแบบสบายไม่ต้องจิ้งจ้อ ง, งต้องตั้งอะไรหนึ่งดังนี่นะไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่เพราะมันสบายเกินไปปฏิบัติแบบธรรมชาติเนี่ยไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหรนะ่แล้วเพราะมันสบายเกินไปต้องทําให้เต็มที่ไว้ก่อนแล้วค่อยไปหาความสบายทีหลัง นั่นก็คือเมื่อรู้ว่าข้าวมันสุกแล้วจะต้องเล่งไฟต่อไปไหมไม่ต้องคุณจะดับไฟยงได้เลยนะแต่เรารู้ว่ายังข้าวยังไม่สุกต้องเล่งไฟให้เต็มที่เลยเมื่อข้า ว, าวค่อยๆลาวไฟเหมือนกันเมื่อเราบำเพ็ญความรู้สึกตัวนี้ไปเราเริ่มเห็นเริ่มเข้าใจแล้วว่าอะไรเป็นอะไรนั่นหมายความว่าข้าวเริ่มเป็นไง เข้าเริ่มสุขเลยใช่ไหมความเห็นความเข้าใจในทุกด่างความเป็นอย่งยอมรับความจริงของกันที่ทุกมีอยู่แล้วไม่เป็นทุกข์กับมันตรง น, นั้นเข้าเริ่มสุขปัญญาเริ่มเกิดแล้วตอนนั้นความเพียรเราก็เป็นไงหย่อนลงบ้างก็ได้ทําความเพียร น, นอกรูปแบบบ้างก็ได้มันต้องมีจังหวะข้องมันคนหายเข้ายังไม่สุขบกวกราไฟอย่าเพียงจะได้กินข้าวไหมไม่ได้คุณปฏิบัติเคร่งเกินไปผ่อนคลายหยุดไม่ต้องทําอะไรเนี่ยไม่ได้มันจะต้องรู้ประมาณของไข่ข้องมัน นะเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวบอกกันไม่ได้ข้าวคุณอาจจะนึ่งชั่วโมงสุกแต่ว่าข้าวนี้ทั้งสองชั่วโมงสุกคุณอาจจะนึ่งสาสิบนาทีสุกข้าวแต่ละอย่างมันอาจจะใช้เวลาไม่เท่ากันเราแต่ละคนก็เหมือนกันกวรจะพบความพอดีของตัวอาจจะใช้เวลาบางคนอาจจะไม่ใช้เวลามากขึ้นอยู่กับภูมิธรรมภูมิปัญญาที่เขาสั่งสมมาเราจะไปตัดสินเขาว่าปฏิบัตินับปฏิบัติเบาปฏิบัตบิมากปฏิบัติตน้อยมาให้เขารู้ตัวเขาเองแต่เรามีหน้าที่บอกไปให้ถูกต้องเท่านั้นเอง นะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญทีเดียวเอาละเมื่อเรามาสู่ตัวเวทนาต้นๆอาจบไว้แค่นั้นดังนั้นในช่วงที่กล่าวกลืนว่าทั้งหมดเนี่ยเอามาจะจบไว้แค่นี้แล้วต่อไปเป็นเวลาของการซักถามปัญหาในส่วนที่เราปฏิบัติมาก็ดีในส่วนที่ฟังเรื่องราวมาทั้งหมดที่มานําเสนอนี่ก็ดีส่วนไหนที่ ไม่ชัดเจนส่วนไหนที่น่าสงสัยส่วนไหนที่ไม่แจ่มแจ้งให้ถามปรับที่จิตของเราว่าเราสัมพันธ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนั้นถูกต้องไหมว่าเรากำลังปลําที่จะ อ, อะไรอยู่ที่จะวิ่งตามเงาตัวเองเนี่ยวิ่งจนเหนื่อ ย, ยลักษณะนี้เราควรจะผ่อนเพราะว่าเหมือนดูว่าเราตั้งธงไว้ในใจของเราจะเอาสิ่ ง, งนี้แล้วก็วิ่งตามไปนะ น, นั่นเขาเรียกวิ่งตามความอยากเมื่อเรา เห็นว่าเออรู้สึกว่าขณะที่เราทําเนี่ยทาความเพียรอยู่เนี่ยเรารู้สึกเป็นอย่างในกายของเราส่วนไหนหนักส่วนไหนเบาส่วนไหนล้าส่วนไหนตึงเนี่ยก็ต้องเข้าไปดูแล้วก็รู้สึกผ่อนสั้นผ่อนยาวทําความพอดีให้เกิดขึ้นนะแต่ถ้าหากว่าเราไปวิ่งตามความอยากเนี่ยมันก็จะเกิดความตึงความเพลีอกลางคืนก็จะตื่นนะมันมันเกิดเจะว่าเป็นปีติก็ไม่ใช่จิตมันมันมันเบา อันนั้นในจุดนี้ต้องรู้จักความพอดีในขณะที่เราทํำคําว่าพอดีของตัวเองเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วเวลามันเราทําน้อยเนี่ยบางคนคิดมากใช่ไหมคิดเรื่องนั้นเข้ามาเราก็ไม่อยากจะให้ความคิดเข้าเราปฏิเสธความคิดอันนี้เรื่องของเรื่องมันแต่ความจริงพรเห็นบอกว่าไม่ต้องปฏิเสธความคิดไม่ต้องไปห้ามความคิดมันอยากคิดให้มันคิดแต่ให้รู้ว่ามันคิดอะไรให้รู้ว่าความคิดมาจากไหนความคิดมันคิดแล้วมันหายไปไหน เราเราพยายามสร้างตัวรู้ขึ้นมาเท่านั้นเองทีนี้ไอ้ตัวรู้สึกตัวเนี่ยที่เราจะไปเห็นภาวะต่างๆเนี่ยต้องเป็นตัวรู้สึกตัวที่ถูกต้องนั้นเรียกว่าสัมมาสตินี่นะคือรู้สึกตัวไม่ใช่สร้างตัวรู้ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะไปดูตัวคิดอันนั้นไม่ถูกละเพราะตัวรู้ที่จะไปดูตัวคิดเราไม่ต้องสร้างแต่ความรู้สึกตัวมันมีอยู่แล้วแต่ว่าให้จิตมารับรู้ให้ชัดๆเท่านั้นเองมารับรู้ความรู้สึกตัวให้ชัดๆ เพราิอของเรามีขณะเดียวใช่ไหมเมื่อมาจากความรู้สึกตัวชัดๆแล้วมันก็ไม่ไปยุ่งกับความคิดแต่การที่มันแวบไปดูไปอยู่กับความคิดอยู่นะั้นก็แสดงความรู้สึกตัวเรายัางไม่ชัดทีนี้เราจะไปเรื่องความเพียรเพื่อให้ความรู้สึกตัวชัดความจริงแล้วเนี่ยในช่วงที่เรามีอยู่ปกติภาวะรู้สึกตัวมันก็มีอยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะยังไม่รู้จักมันชัดเจนเท่านั้นเองเราไปเพิ่มความเพียรเพื่อจะให้ความรู้สึกตัวชัด จึงเป็นความรู้สึกตัวที่เราสร้างขึ้นตรงนี้เองที่ที่ข้อข้อผิดพลาดของมันดังนั้นความรู้สึกตัวในขณะนี้ความเย็นร้อนอ่อนแข็งเค้งตึงเนี่ยเป็นความรู้สึกความรู้สึกมีสองอย่างหนึ่งความรู้สึกที่เป็นเวทนานะเช่นความเย็นร้อนอ่อนแข็งเค้งตึงนี้เป็นความรู้สึกที่เป็นเวทนาแต่เราเห็นไหมอาการที่เราเราเป็นอยู่ขณะนี้เราเรารู้กันด้วยว่ามันหนักมันเบา มันทำให้ใจเราเป็นยังไงเราเห็นอาการตัวนี้ไหมใครเป็นผู้เห็นอีกทีนะความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงอบอ้าวหนักเบาปวดเมื่อยพวกนี้ตัวนี้เป็นความรู้ที่เป็นเวทนานะเป็นเวทนาทากายแต่ตัวรู้สึกในเวทนานี้รับรู้ว่ามันมีอยู่ แต่เราไม่เข้าไปเป็นกับตัวเย็นตัวร้อนตัวอ่อนตัวแข็งตัวตึงตัวเข่งตัวไหวนั้นแต่เข้าไปรับรู้เฉยๆไปรู้ตัวภาวะที่มีอยู่เฉยตัวเข้าไปรู้มันเฉยๆตัวนี้เป็นตัวสติเป็นตัวรู้ที่เป็นสติซึ่งตัวนี้ถ้าหากว่าเราไม่สังเกตดีๆก็จะแยกไม่ออกเรียกว่ารูปกับนามตัวเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงไหวนี่เป็นรูปตัวรับรู้เฉยๆ้นเป็นนามคือตัวสติตัวสติเป็นนามตัวเวทนาเป็นรูป แล้วเ ข, เข้ามารู้รูปน้ำนั้นตัวรับรู้ต่อการมีอยู่นี่เองเรียกว่าตัวสติแต่การไม่เข้าไปสวยเมื่อไรเข้าไปสวยปั๊บเป็นสุขเป็นทุกทันทีแต่ว่าถ้ามันมีอยู่ปรากฏตามธรรมชาติก็เป็นเพียงรูปอันหนึ่งคือรูปของเวทนานี่เป็นรูปของเวทนาปวดเมื่อยเนี่ยเป็นเวทนาใช่ไหมเป็นรูปอันหนึ่งใช่ไหมแต่เราสมมุติว่ารูปนี้ร้อนรูปนี้ปวดสมมติขึ้นมา แต่ถ้าเมื่อใดเราไม่รู้เท่าทันแล้วเราไปสำคัญมันหมายเยะ็ะเย้ยนองแข็งแข่งถึงว่าเป็นเราปับ๊บมันก็จะก่อให้เกิดความรู้สึกพอใจไม่พอใจขึ้นมาตรงนั้นเป็นอะไรไม่ใช่เป็นรูปนามแล้วมันกลายเป็นนามรูปอ่ากลายเป็นนามรูปตอนนั้นเองก็เะยนเงาที่เราจะต้องวิ่งตามมัน่ะซึ่งเรื่องนี้ต้องทำไปบ่อยๆถ้าหากว่ามันยังไม่แช่ไม่แจ้งไม่ชัดก็ทาไปสังเกตไปเรื่อย บางทีสิ่งที่คนอื่นบอกหรือครูบาอาจารย์บอกเราก็อาจจะเข้าใจไม่ถูกก็ได้ <c oughs> ท่านบอกถูกอาจจะเข้าใจไม่ถูกแต่ค่อยสังเกตไปเรื่อยๆนะรอยครั้งผันครั้งเดี๋ยวมันชัดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งดังนั้นเวล า, เาไปนอนแล้วมันมันไม่หลับเป็นผลรวมของที่เราวิ่งตามเงากลางคืนเนี่ยนะเราจะบอกว่าเป็นปีติแล้วมันตื่นโพลงนะใช่ไหม บางทีจิตมันเครียดเกินไปมันนอนไม่หลับก็ได้เราก็ดูอาการ น, นั้นเฝ้าดูอาการรับรู้ต่อสิ่งที่มีอยู่ตัวนี้น ะ, ะระลึกรู้ต่อสิ่งที่มีอยู่ว่ามันคือรูปภาวะที่เป็นเวจจุและตัวผู้รู้ขณะนี้มันเป็นนามรู้แค่สองอย่างแค่นี้จิตมันก็จะอยู่ณนะนะปัจจุบันแต่ถ้าเราไปพยายามปรุงแต่งให้เป็นอันนั้นอันนี้ขึ้นมาอันนั้นก็เราเลยรูปเลยนามไปละมันก็จะเป็นนามรูปเป็นทุกข์ ขึ้นมาในใจของเราเข้าใจนะอ้าวต่อไปท่านผู้ใดมีอะไรสงสัยต่อแสดงว่ญญาชื่อจริเนาะเข้าใจทุกแง่ทุกมุมตัง่วงตัวใหญ่ๆมาเปี่ยนอิเลียเปแล้วก็ไม่หายทำไงคะต้องทําตัวง่วงให้มันเล็กๆเลยยอมไปมันไม่ยอมไป ไ, มมไปแ ป, นะ ป, ป๊บเ ด, ดียวเดี๋มาอ๋อ <c oughs> คือวิธีช่วงเข้าปฏิบัติเนี่ยวันที่ 1, ที่2ที่สานี่นะนิวรอนตัวทั้ง5้าเนี่ยตั้งแต่ความขี้เกียจที่ค้านตัวหงุดหงิดไม่สนุกตัวงูเหงาเหานอนตัวฟุ้งซ่านตัว ล, ลังเลสงสัยนิวรอนเหล่านี้มันก็จะมาเรื่อยๆอำนาจมันจะมากหรือไม่มากอยู่ที่ว่าเราพยายามทำความาเพียรที่ตื่นตัวมากน้อยแค่ไหนนะโดยเฉพาะ ย, ายิ่งหลังหลังเที่ยงหลังทานอาหารนะ โ, โหนิวรณ์มาตัวนี้มาแรงเหลือเกินนะนั้นในช่วงหลังเที่ยงหรือหลังอาหารเนี่ยไม่ยังไม่ต้องยังไม่ต้องนั่งให้เดินไปก่อนเดินมันจะง่วงก็ง่วงในการเดินดีกว่าง่วงในตอนนั่งนะง่วงในการเดินมันโซเซโซเซไปเดีเดี๋ย ว, ยวมก็ตื่นใช่ไหมแต่ง่วงในการนั่งมันพับไปเลยนะไม่รู้ตัวเลยน ะ, ะพับไปเลยเพราะฉะนั้นลองทดสอบว่านิวรณตัวง่วงในช่วงบ่ายมันจะหมดตอนไหน ไปนั่งนิดนึงถ้ามันยังง่วงอยู่แสดงว่ายัางไม่หมดใช่ไหมเดินต่ออีกเดินต่อไปสักพักหนึ่งหมดหรือยังเราไปนั่งดูกองมันทํำท่าจะง่วงอีกแสดงว่าไม่หมดเดินอยู่อย่างงั้นอ่ะเดนินจนทั้งวันนั่งแล้วมันไม่ง่วงแสดงมันหมดละแต่ส่วนใหญ่เราทําอย่างงั้นไหมไม่เราไม่ทันเลยนะพอนั่งปั๊บมันก็ล็อกทันทีเลย <laughs> ไปเลยองเดนิดนเล่ยนโซวง่วงเดินเดินเดินที่เดินที่มันใกล้ๆขอบอ น, นิดหน่อย อ๋อนี่มาสูงๆเลยมันจะได้เซ่ลร็วตรงนั้นแล้วมันจะตื่นเอหลังจากนั้นมันก็ยอมว่องอีกเลยในะหลังจากพาตกลงไปนะเดินได้ที่ขอบสะได้เดินได้ขอบเดินให้เขาขวัวมันจะตื่นที่นี่มีหลวงพ่อท่านนั่งอยู่ข้างห้องวะนนั่งหลับไปแล้ะมาก็บอกไปถึงไหนแล้วล่ะตื่นโปเพลย ข, ขึ้นมาอ้าวหลวงพ่อยืนมันเป็นขอบนี่น้ขอบอีกอย่างนะึงยืนตรงนี้เลยนะ ให้ติ่งยืดไปจะขึงเลยนะยืดให้สร้างเกี่ยว่าทุกนั้นแหละตื่นเลยทีเ น, น้นนะตืนต่นพอจิติ่งมันกลัวตกลงไปไก็หาวิธีเอามันมีตั้งหลายๆวิธีแล้วแต่หาเจอแต่เวลามันง่วงคือมานคิดอะไรไม่ออกเลยนะหาอะไรไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นวิธีก็คือหลังจากในช่วงไหนที่มันยังนั่งแล้วง่วงอยู่เลยอย่าพยายามนั่งเดินไว้ก่อนเดินง่วงดีกว่านั่งง่วงมีไหมเดินง่วงแล้วมัน ล้มลงไปเลยเนี่ยคงไม่ค่อยมี<ช>มมนะเดินจากนั้นสดทายสุดสเดี๋ยวก็ตืตตต่นนะบางคนก็หาวอดๆเลยนะง่วงน ะ, ะ, ะาอาจารย์นงสามนะรมี้เวลาเจ็นเสติกเนี่ยบางครั้งน้ตาไหลออกมาเองเป็นบอกอะไรก็ครับอก็อาจจะเป็นปิตินะปิติบางค น, นึนมีปิติบ่อยๆนะน้าตาไหลตื่นตันใจนะก็บางทีความเพียรมันอาจจะสูงไปเคยหงเคยหุงข้าวหม ถ้าหากว่าไฟมันแรงๆเป็นยังไงน้ำมันจะเดือดล้นหม้อแกงเดียอะแล้วน้ำที่มันล้นออกมามันก็ไปดับไฟทีหนึ่งนะหมายความว่าถ้าเราทําความเพียรสูงมากๆเนี่ยมันก็คือปีติมันเกิดก็เหมือนน้นําที่มันเดือดจนล้นขอบ ป, ปากหมอ้อแล้วเราก็ไปดิญยมไปชอบกับปีติความเพียรที่อ่อนลงไปหมายความว่าน้ําที่มันล้นจะประม้อไปดับไฟทีหนึง่ง อภิติที่เราเข้าไปยืมมันก็ไปทําให้ความเพียรเราอ่อนไปอีกทีหนึ่งคล้ายอย่างนั้นนะถ้าเป็นปดปุบาธรรมาเคยสังเกตเวลาข้าวส ม, มัยก่อนแล้วก็ใช้ฟืนหุงข้าวนะใช้น้ำไม่ได้หุงเช็ดอย่างปัจจุบันปัจจุบันต้องใส่น้ําเท่านั้นหุงเราไม่ต้องเช็ดน้ำอะไรเนี่ยแมื่ก่อนหุงเราเทน้ําที่ลักษณะปิติคล้ายเป็นอย่างนั้นก็คือต้องลดความเพียรลงตัว โ, โยกมันมีนโยกนะอาจารย์าาเออ ล ด, ดกด็ได้ร่างร่างสนาเล่งเพ่งหยุดกดสะกดจิตได้อะสะกดจิตตัวเองได้อวาเพียนมากไปความเพียนมากไปแล้วก็ลดลดลงมาทําแบบสบายสบายไม่ต้องขี้เก uh, <that> okay. ียจมากขึ้นอก็ไม่ใช่ขี้เกียจมากขึ้นนะให้ผ่อนลงผ่นกลางเรียกว่าให้มาทางสายกลางใช่ไหมก็ผ่อนผ่อนลงมาหน่อยหนึ่งจากเดินกึ้งกึงก็เดินให้สบายสบายถ้าหากว่ามันเดินอยู่ตรงนั้นรู้สึกมันติดเล่งเพ่ง ปฏิบัติแล้วสึกจริงเพ่งขึ้นแล้วก็เดินออกจากตรงนั้นใช่เดินไปทางอื่นจะพักหนึ่งเดินไปเพร่อให้มันผ่อนลงมาซึ่งถ้าหากว่าเราแก้เป็นแล้วเนี่ยเรากไ็ไม่ไม่ยากนะแต่ผู้ใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ขขนในการแก้เนี่ยก็ดันไปรูปเดียวก็ให้มั น, ปนปรปสบการหลายๆครั้งเดี๋ยวมันเกิดปัญญาเองพอมันเกิดปัญญามันจะแก้ได้นะัเบื้องต้นเนี่ยให้เกิด อ่าตัวเพียรเอาไว้ก่อนนะแต่อย่าให้มันเพี้ยนกันแล้วกันนะเพ้ยน <c oughs> ให้ดรอเนื่องเอาไว้ <c oughs> ให้ดรอเนื่องแบบสบายๆนะ <c oughs> แล้ก็จะง่ายขึ้นในสมัยจะมาทําความเพียนโอ้โตื่นขึ้นมาตอนไหนก็ทําตอนตื่นม า, นมาทีสองก็ทำทีสองเลยนะต่ทีสามก็ทำทีสามมันมันได้อารมณ์อ่ะแต่ว่ามันก็จะต้องเป็นอยู่ระยะหนึ่งนะอ่าในช่วงแรกเนี่ยให้เข้มมาไว้ก่อนก็แล้วกันในช่วงที่มันเริ่มมีปัญญาขึ้นมาคือจะเริ่มผ่อนคลายตัวเองเริ่มจับ ดมเอาดมเลือกเป็นว่าอะไรเป็นอะไร <c oughs> อ่ะต่อไป